ตอนนี้คุณคิงอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณคิงครับสวัสดีครับพี่แจ๊โอ้นะฮะแมต้องบอกว่าคิงออฟโกส์มานี่คึกคักนะฮะเดอะโกสเลเยอร์ของเราเนี่คึกคักตลอดเลยรอฟังเสียงนี้ที่คุ้นเคยนะฮะคุณคิงตอนนี้โทรมาจากที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่สแกลครับปฏิว่าช่วงสองสาวันนี้ผมเพิ่งไปรับคานที่ผมชอบเล่าเรื่องเขาให้ฟังเนี่ยค หรือว่าแกป่วยก็ลามแกมาดูแลอก็เลยได้ฟังเรื่องปแปลกๆหลายเรื่องนะครับอ๋อนั่นเป็นทานที่สนิทกับคุณคิงก็มากนะครับเพราะว่าช่วงที่เราไปอยู่ที่ป่าครับ<ะ>บ้านเขาเนี่ยจังหวัดบ้านเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ดูแลและอุปถัมภ์เราตอนอยูกทุดงนะครับอืมแล้วว่าตอนนี้ท่านอายุเยอะแล้วสิก็น่าจะหกสิบกว่าหรือมากกว่าหกสิบหรือประมาณหกสิกว่าไปแล้วนะครับมผมก็ไม่ได้ถาม ฮ่าฮ่นะครับแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับคุณคิงได้ฟังเรื่องของเลี้ยงผีผิดครับก็วันนี้ ม, มีมีสองเรื่องเป็นเรื่องแบบสัน้นๆไม่มีเวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ ย, อยเยอะเลยแล้วแต่คุณคิงเลยวันนี้ลุยไปปิดท้ายแล้วลุยไปวันนี้ไม่ต้องฟิกเรื่องเวลาเลยจัดไปเต็มๆมนะฮะอะเชิญฮะคุณคิงเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงครับเรื่องของ การนะครับก็เป็นเรื่องของเลี้ยงผีผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเพื่อนจะว่าเพื่อนไหมเป็นคนที่รู้จักกันแต่ว่าเขาเป็นเหมือนจะเปิดตัวเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงผีฮะจะเป็นเหมือนเจ้าสำนักแต่จะเป็นเป็นคนที่เป็นชาวกระเรี่ยงที่ที่เหมือนจะทําตัวเป็นฤๅษีไปอะไรเงี้ยอยู่ทางบ้านเขาครับอันนี้ว่าในการที่เขาเตือนก็คือตัวของเขาเองเนี่ยเคยออกป่าแล้วก็หาของด้วยกันแล้วก็ทั้งนี้เขาจะหาผู้คนผุนไทยไป ปงไปช่วยคนจากคนที่เคยช่วยคนนะครับ mm hmm. ส่วนตัวพานเนี่ยเขาก็จะออกไปล่าสัตว์แล้วก็จะคอยให้ความคุ้คมครองกับคนเนี้ยที่เขาเป็นชาวกะเหรี่ยงที่ว่าเขาจะเป็นพวกฤๅษีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <Yeah. S 2> เป็นเจ้าสํานักด้วยอนะ่ะให้ความคุ้มครองให้ความสะดวกสบายช่วยเหลือเขาทุกอย่างอ mm hmm. แต่ว่าหลังจากที่หาของป่าไปอยู่มาณสามสี่ปีเนะี mm ่ย hmm. ก็จะมีอยู่วันหนึ่งที่ฤๅษีต้นเนี้ยเขาไปได้อ่า เป็นว่านที่เขาจะเรียกว่าเป็นว่านผีอ่แต่มันไม่มีชื่อตรงๆเขาเรียกแล้ว่าว่านผีเฉยๆแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาเนี่ยเลี้ยงเพื่อเอามาปุงเป็นสมุนไพรเพราะว่าอีกอี ก, อกทางตำราหนึ่งของเขาเนี่เขาบอกว่าถ้าเลี้ยงดีจะสามารถส ก, กัดเอาสักอย่างของมันเนี่ยมาเป็นสมุนไพรได้ชื่อเหลือคนได้เหมือนประเภทว่าหนายอดอนันหนำบงอืผมเคยได้ยินเรื่องราวของว่านผีนี้นะเหมือนเป็นว่านแบบว่ารักษาได้แทบทุกโรคอะ่ะ ใช่ครับอื oh, oh, oh, oh. แต่ทีนนี้ข้อเสียของมันก็คือถ้า uh huh. ไอละอองของมันที่อยู่ข้างในอ uh ื huh. ดอกมันเนี้ยว่านเนี้ยไปเกาะที่ใครอะ่ะคนนั้นจะมีอาการแปลก uh huh. ก็คือผอมลงสูบ uh huh. ลงเหมือนกับโดนผีกินข้างใน uh huh. เขาจึงเรียกวันว่าว่านผี uh huh. แต่คนคนนี้เขาก็จะไม่ตาย uh huh. ทันนี้ว่านฤาษีตัวเนี้ยเขาก็โดน ไอระอองมันนี้แหละยังไงเนี่ยพานเขาบอกยังไงเชื่อว่าโดนเพราะว่าเอาผอมลงไปพอมไปเยอะเลยอแต่ว่ามีอาการแปลกก็คือพาลึกตาโหลแล้วก็ชอบพูดคนเดียวอืมแล้วจะพยายามตาขวาทุกครั้งที่พานเนี่ยเข้าไปหาเพราะว่าพานจะพยายามบอกตลอดว่า อ, อย่าเลี้ยงนะแต่พานเนี่ยเขาจะพูดโดยภาษาเกาหลีนะครับคือคอย่าบเขาแต่เขาจะพูดปาษาษาระราาามาณว่าอย่าเลี้ยงนะออกไปชิ้งเธอะไม่เห็นสภาพตัวมัม่แบบว่าเป็นยังไงอืม คือสีตอนนี้เขาจะประมาณว่าขวางแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นนิดเี่ยไม่เป็นนิดเหมือนเดิมแต่มันแตกตรงที่ว่าถ้าใครที่มาหาเขาแล้วมาให้เขารักษาเนี่ยจะต้องเอาของมาแรกจากที่เคยไม่ไม่เรียกร้องอะไรแล้วเป็นคนที่มีเมตตากลายเป็นว่าการที่เราขอมาแรกให้รักษาเนี่ยคื อ, อ, อข้างข่าวดิบหรอเอาข้างข่าวดิบมันจะต้องไปตีข้างข <ห tweak. S 2> ่าวมาเเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติมาแรกกับการ ร, รักษาของเขาอืมส่วนข้างข่าวเนี่ยเขาจะไปทําอะไรไม่ใคยมีใครเห็น แค่บอกว่าให้เอามาสองตัวทั้งขาวสองตัวทางขา่าวดีมาสองตัวมาให้เขา<ม>และเขาจะทำํำดีๆให้หมดรักษาจากที่เป็นปวยอยู่เนี่ยหายหายแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่หายกันทุกคน<ม><ม>แต่ทันทีนว่าผ่านเนี่ยครับเขาก็จะคอยสอดส่องตลอดว่ารูกศรตัวนี้เป็นอะไรจากความที่เขาเป็นมิกเกนมาตลอดเนี่ยอืมสอดส่องตลอดว่าอ้เขาเป็นอะไรเขาเปลี่ยนไปวันนึงเขาก็ไปแอดดูใต้เรือนใต้เรือนของรูกศรตัวเนี้ยว่าเป็นอะไรชอบนั่งพูดคนเดียวชอบพึมพำคนเดียวเป็นคาถาเหรอหรือว่าเป็นอะไร แกก็ไปแอบดูที่ใต้เรือนน่ะระหว่างที่แอบดูยังไม่ดูอย่างเป็นการฟังออย่ืเป็นเสียงลือสีตัวเนี้ยคุยกับผู้หญิงออืซึ่งเขาก็ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วถ้าคนเป็นลือสีแล้วออกถือสีอย่างเงี้ยจะคุยกับผู้หญิงเป็นไปไม่ได้อยู่สองสองเป็นไปไม่ได้คเขาก็พยายามจับใจความจนผู้หญิงคนที่นั่งคนถือลือสีตัวเนี้ยบอกว่ามีคนอยู่ข้างล่างออออืืแกก็แปลกใจว่าเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าอยู่ข้างล่างก็เลยพยายามที่จะมองขึ้นมาตรงรูที่แกคิดว่าแกจะมาแอบดูอะออื ปราว่มีลูกตามองย้อนกลับมาแกเข้าใจว่าเป็นตาของทศศรีรแต่มองไปมองมาเนี่ยมันเป็นตาที่ แ, แดงๆเหมือนมีเลือดคออยู่ข้างในเหมือนกับคนที่ตาช้ำเหมือนคนโดนอะไรกระแทกแในลูกตายข้างใน<ะ>มันจะแดงเป็นจุดๆไม่ใช่แดงทั้งหมดในตรงตาขาวแดงเป็นจุด ๆ, ๆดวงบางช่วงแต่เป็นอย่างนั้นแล้วดูน่ากลัวมากเลยค่ะแกก็เลรยรีบค่อยๆไม่ถึงกับวิ่งอ่ะแต่ก็ค่อยออกค่อยๆถอยออกมาจากใต้เกันนะเดี๋ยวร้อน ร, ร้อนหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับวิ่ง ก็กลับมาถึงบ้านเนี่ยแกอาการเป็นไข้เป็นไข่อยู่สองวันแกก็ว่าแกโดนพิษของไอ้ไอ้ไอ้ว่านผีเนี่ยแห ล, ละก็สงสัยว่าตัวเองจะโดนหลองของมันอืมแต่ก็สํารวจแล้วหาทําทุกขีชาติที่เขาบอกว่าเป็นวิธีการแก้อืมมันก็ไม่เป็นผลแกยังเป็นไข้อยู่จนญาติๆแกก็ที่เป็นพี่น้องของแกในะสมัยนั้นที่แบบออกออ ก, ออกหาของป่าด้วยกันอืมนําของมาแก้ให้แล้วก็บอกว่าสงสัยจะโดนแล้วก็ก็าเกิบเราพ้นฝังคืนแล้วไม่เป็นไรเนะี่ย วันที่สี่ก็จะหายแต่ถ้าเกิดว่าจะตายก็จะตายในสามคืนนี่แหละอ <c oughs> ืมแกก็เหมือนว่าทําใจอ่ะเพราะว่าส อ, สองวันมาแล้วสองคืนมาแล้วที่ยังป่วยอยู่อืม <c oughs> แล้วก็ลุกไม่ขึ้นท่นนี้วันที่สามจะแกถามผมว่ารู้ไหมว่าทําไมคนถึงบอกว่าถ้าพ้นวันที่สามได้ถึงจะรอด <c oughs> ผมก็บอกผมไม่รู้แต่ก็บอกว่าตอนที่แกนอนอยู่บนเรือนของแกมันจะเป็นเสียงเหมือนคนเดินขึ้นมาบนเรือนแต่แกนอนตะแคงเข้าขากําแพงนะครับ <c oughs> นอนตะแทงเข้าหากำแพงออืเสียงเหมือนคนเดินขึ้นมาแล้วมายินอยู่ข้างหลังแอืกซึ่งจะรู้สึกยังไงเป็นคนแน่นอนแล้วเลื่อนมาเป็นแค่เลื่อนไม้อะไม้ขัดแตะอ่ะมันก็จะโยกจะกระยมไปทั้งเรื่อนเนี้ยเ <c oughs> จวยังไม่ได้หันไปมองว่าเป็นใครออืจนมารู้สึกรู้สึกว่า ม, มัายืนนานเกินไปแล้วค่อยๆตะแทงกตะแทงไปหาคนที่เป็นไข้หนักนะฮะพยายามพลิกตัวกลับไปหาครับก็ลําบากนิดนึนนงค่อนข้างลาบากอืเพราะหันไปหาไม่มีใคร ซึได้ยินแต่ตอนเสียงเดินขึ้นมาแต่เสียงเดินลงไปยังไม่มีอก็ mm. เริ่มรู้สึกว่านี่แหละมั้งที่เขาบอกว่าคืนที่สามถ้าพ้นได้ก็จะรอด mm. แต่แกงของเราล่ะพขาไนได้มีอะไร mm. แต่ที่แกงรุง่นพนนะครับว่าไอ้ไอ้แต่ต๊อกเดอนไม้เนี่ยที่ทําแบบไม้ไผ่ขัดแตะเอาใช้การมัดเอาอ่ะไม่ได้มีการใช้สปูหรือสลัดอะไรสักอย่างนะใช้การมัดเอาตั้งแต่โครงคาด้านบนแล้วก็ใช้อ่ายะคามุงข้างหลังเราเนี่ยเป็นของค้าเนี่ย มันจะได้มีความแข็งแร ง, างมากขึ้ถูกไหมพอดีฮัลโหลครับผมครับทีนี้ว่าแ ก, ห ล, ก, แกหลังที่แกหันทามองทางด้านนี้ที่ว่าเป็นบันไดเนี่ยเหมือนจะมีคนเดินขึ้นมาพอไม่มีคนปุ๊บ ค, ค่อยๆพลิกตัวขึ้มานอนง่ายแกเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งตัวจำนำแล้วผมยาว ๆ, ๆขดตัวอยู่ข้างบนไอ้คานไม้ไผ่ที่เป็นคานกลางของแก่ครับแกก็นอนมองอยู่กันนะแต่แกก็บอกขนแกนี่ลุกตั้งแต่หัวลงไปถึง ขอเท้าเลยจะรู้สึกได้เลยและจะรู้สึกว่าวันนี้ยมันมาไายด้ว ย, ยแล้วนอนมองมันอยู่งั้นลนะ่ะมันก็วุ่นวเฮวุ่นวเฮดังมากเลยนะนึกถึงความแด่อย่างเดียวนึกถึงครูบาอาจารย์เดียวนึกถึงทุกอย่างที่แกเรียนรู้มาทั้งหมดในการจะเข้าป่าหลับตาอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นพอาะลืมตามาดีเห็นมันกระโจนลงมาอาแต่มันหายไปเลยครับแล้วแกก็หลับจนเช้าตื่นขึ้นมา่ให้หายหมดทุกอย่างเลยออื แล้วแกก็กลงเล่าให้กับคนที่เป็นญาติญาติฟังเขาบอกว่าแสดงว่ามันจะมาเอาแต่มันเอาไม่ได้เพราะว่าดวงยังไม่ถึงยังไม่ถึงคาดว่ามีอะไรดีอะสักอย่างเนงงี่ยค<ๆ>ุ้มครองเขาก็เลยพอดียินเรื่องนี้ยเขาพากันไปหาฤาษีฤาษีนั่นปิดปิดมันเป็นแบบไม่ไพ่ขัดแตกมเหมือนกันนะปิดประตูไว้ไม่ให้ใครเข้าแต่จริงๆเขาจะพังเข้าไปก็ได้แต่เขาเรียกหลายครั้งฤาษีบอกเดี๋ยวออกไปครฤาษีเขาออกไปเดี๋ยวออกไปทุออกคนก็ยืนรอของเดี๋ยวนานแล้วนะถ้าให้เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งยังไม่ออกมาเนี่ยจะพังเข้าไปครับ ปรกดรถพังเข้าไปเนะ่ะสีเน่าแล้วครับอืดแล้วอะ่ะโอ้โรอฮะหมายถึงว่าเสียไปแล้วใช่แล้วมันเป็นลักษณะของศพที่หลายวันแล้วอะ่ะออ้โไแ้เสียงที่บอกว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวออกไปกนะับเสียงใครครับ<ห>ครับก็นี่จะเป็นเรื่องของการยั<อ>ีงผีผิดซึ่มันเป็นเรื่องช่างจานหล่จะไม่น่ากลัวแต่เป็นเรื่องปลาดของป่าไงฮนะที่มันมีอยู่ทุกึงวันก็ยังมีอยู่หมายถึงว่าแม้กระทั่งคนที่เขามีวิชาอาคม เขาก็ยังพลาดได้นะฮะเรื่องเรื่องรื่องพวกนี้ใช่ครับคือผ่านเขาบอกว่าว้านตัวเนี้พูดจะแบบตรงๆเลยว่าไม่สมควรจะเลี้ยงแหละมอัอไม่ใช่ว่าที่สมควรจะเลี้ยงเลยเพราะว่าในประเทศไทยเราตอนเนี้ยแม้กระทั่งทางจังหวัดเุณหภูมิที่ผมเคยไปทาบ้านดินมานะอืมจะมีวัดหนึ่งที่ผมเคยพูดว่าผมจะไปเดินข่ายเพราะว่าวัดนั้นหลวกร้างไปเลยเป็นสำนักสงฆ์เฉยร้างไปเลยค นันจาราวาสก็ผิดแผดแผดออกไปก็จาการที่ออยว่าสนี้มาเลี้ยงแหละอ๋อหรอฮะใช่ครับหมายถึงว่าว่านว่านนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ว่านนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่อฮะยังมีครับี่ผมเองไปเห็นอ่าตอนที่ว่าพระรูปหนึ่งท่ล่าใผมฟังว่าเจ้าเจ้าสํานักต้องไม่ลืมเขาเจ้าวาสเพราะเป็นเจ้าสมรัก์ส่งนเจ้าสํานักส่งที่เนี่ครับสองรูปสองรุ่นที่หายเข้าไปในป่าแล้วยังไม่ปรากฏตัวมาจนทุกวันนี้อื มีอาการแปลกไปก็คือตกกลางคืนแล้วจะหายเข้าไปในป่าและเช้ามาเวาลาที่คนขึ้นไปที่สํำนักเนี่ยจะเห็นมีไก่ป่าบ้างจะตายบ้างค้งขาวบ้างผูกเอาไว้แบบว่าไม่ทําให้สุกอ่ะแล้วมันเป็นอาการเหมือนเหมือนตายแล้วคือมีเลือดออกปากบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับนี่คือก า, ารที่แปลกจนชาวบ้านเขาเริ่มที่จะออกป่าแบบไม่อยากให้อยู่แล้วเขาก็หายเข้าไปในป่าซึ่งยังไม่ปรากฏว่ากลับมาจนทุกวันนี้ซึ่ผมเคยพูดล้วผมจะจะไป อารู้สึกเหมือนผมจะเคยพูดเพราะผมอยากจะไปเอาไปขายตรงเนี้ยมาแล้วผมจะมาลงแต่ว่าครับมีคนนึ่งเหมือนกันที่เขาเตือนว่าก็ถ้าขนาดผ้าเหลืองเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วทีจะเข้าไปอีกตัวไหนเขาใช่อะสิขนาดผ้าเหลืองคนที่เขาอยู่ในสิ่งนี้ยังเอาไม่อยู่นะฮะผมก็เลยว่ามาคิดว่ามมันก็ก็สมควรเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยฉีมอสายเข้าไปจับหลักเนี่ยเพื่อจะไปดุยว่านตัวเนี้ยครับพี่แจ๊คไปจับพระรูปเนี้ยแล้วพระรูปเนี้ย ที่ท่านเป็นยังยังหนมอยู่แนละ้ว oh. แต่ท่านจะโดนพิษของเรื่องของตำหนักนี่แหละเป็ oh. นทําให้ท่านต้องมาบวชแล้วไม่เคยคิดจะศึกเลยจนกวันเนี้ยออคือจะบอกว่าตำหนักที่เนี่ยพอเริ่มจากมีอาการแตกไปเนี่ยคนอื่นอาจจะมองในด้านลบแต่ตัวของพวกนั้นนี่ยคือฝ่ายวิชาทางด้านเรื่องของผู้หญิง oh. เล่นสาวแต่ตำหนักนี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยทำได้ทุกอย่างแหละไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีว่านนี่อยู่ก็เอาว่านนี่มาให้ดูนะครับอื uh huh. ว่านเนี่ยเลี้ยงว่า น, นี่ได้รับรองทําอะไรก็ทําได้ครับ<ะ>แต่จะต้องทำอย่างหนึ่งคือให้ไปพร้อมกับล้นที่สองคนเดี๋ยวลูกพี่เขาได้ไปทําอะไรเองในป่าช้าเนี่ยและเองเป็นคนถือหัวอ่าถือถือของมาอย่างเดียวครับ<ะ>ท่านก็ไปฉี่ไปฉี่ที่เขามาเนี่ยตอนแรกเป็นคารวานแล้วก็ไปถือมาไม่รู้ว่าอะไรตอนหลังมารู้ว่าเป็นหัวเป็นหัวคนหัวของคนหัวของผู้หญิงแล้วเขาก็จยญาติคนตายคือก็คือปเป็รื่องเวลาวอะไรช่วงนันแล้วแต่ถามว่าทําไมทำไมท่านถึงรู้ว่าเป็นหัว คือตอนแรกหล่ะจะถึอของขึ้มาเนี่ยพอมาถึงที่เนี่ยท่านรู้สึกว่าท่านอาจารแปกไปคือเวลาไปไหนจะมีคนเห็นผู้หญิงเดินตามท่านออืแต่ตอนนั้นท่านเป็นอารวาส น, นะแล้วเวลาที่ท่านเล่าเรื่องนี้ให้ผมนะครับพี่แจ็คตอนที่ท่านเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเนี่ยไฟอ่ะตรงศาลาตรงที่มันเป็นที่ล้างบาทซึ่งํานั่งคุยกับท่านอยู่สองคนคือท่านนั่งขบนผมนั่งกับพื้นเนี่ยกระพิบกระพิบกระพิบเลยท่านก็บอกจริงจริงแล้วไม่อยากเล่าเลยนะเรื่องเนี่ยค เพราะว่าทุกครั้งที่เราเรื่องเนี้ยจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนเนี้ยไอ้สายกระพิบเนี้ยซึ่งมันจะว่าบังเอิญก็ไม่ได้มันเป็นครั้งเลยอเหมืนอนกับเขารับรู้แล้วในการที่ท่านาบวชเนี้ยท่านฉบวชเพราะเหตุนี้เพราะผู้หญิงคนเนี้ยไม่ปล่อยท่านเคยมีโยมเนี่ยขึ้นมาหาข้างบนมาหาตอนคืนเห็นผู้หญิงคนเนี้ผู้หญิงคนเนี้ยนั่งอยู่หน้าประตูบุตรีท่านไม่ไปไหนเลยครับโยมนี้ยคือญาติของหลวงพี่รูปนี้นะครับนั่นแหละฮะอันนี้มากลับมาที่เรื่องว่านเนี้ยหลวงพี่รูปนี้ยก็เคยบอกว่าถ้าอยากจะไป ทำเกี่ยวกับถ่ายวีดีโออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพาไปชี้ทางเข้าให้แต่าามาไม่เข้าไปนะผม <c oughs> ตอนแรกผมขี่เป็นเอ็นอาร์150ซึ่งมันก็เป็นรถที่แรงอยู่นะเราจะแก้ความฝันเรื่องนี้นะคือผมขี่เข้าไปไปตามทางที่ท่านบอกจนไปเห็นกระท้อแบบกระท้อที่เป็นไม้ไผ่ที่ตำนานจากปากของพระก็ลุ้นๆอย่างท่านบอกว่ามีว่านตรงนั้นอยู่คผมพยายามมองห า, าว่านที่ว่านนะ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าอันไหนเพราะว่าเขาปลูกอันเต็มเลี้ยงเต็มหมดเลย แต่สิ่งนี้ผมได้คือตอนที่ผมกลับรถและผมกาลังจะเียออกมาอืมมันมีเสียงคนวิ่งและดี่งเส้นหมือนมันใส่รองเท้าแตะับครับแปะแปะแตะเผมเริ่มเริ่มได้ยินชัดเป็นหูแล้วผมก็เริ่มวิดแรงขึ้นอืแรงขึ้นแล้วมันก็แปะแปะแตะแปแปะเหมือนคนดี่งเ้นรเท้าแตะแล้ววิ่งตามครับซึ่งมันจะไล่รถมอเตอร์ไซค์เราไปเป็นไปไม่ได้แล้วผมมองกระจกหลังไม่เห็นแต่ผมไม่กล้าหันกลับไปมองเพราะสิ่งหนึ่งที่คนที่ที่คนที่มีความเชื่อเียข็มเรื่องใหย่าเนีี่ย แต่ผมใช้วิธีการมองกระจบหลังไม่มีอะไรนะจะเสียงคนวิ่งไล่ตามบออุบเหมือนกันนะออกมาจนถึงทางที่ผมมาเจอพันนั่นแหละเพราะผมบอกว่ามีเสียงคนวิ่งไล่ตามมาพารูปนั้นบอกไปเถิดรีบไปเถือท่านเองท่านก็ยังกลัวอยู่จนทุกวันนี้ยท่านก็ยังกลัวอยู่นี่คือเรื่องของอคนคอยองการที่ไปเลี้ยงไอ้ว่านประหลาดเนะครับอ๋อถึงว่านเนี่ยที่ที่ผมบอกว่าผมเคยได้ยินมาคือลักษณะต้นกําเนิดของผีปอบหรือว่าผีในสเปเชียลของไทยลหลายๆอันเนี่ย เท่าที่ผมจาได้เนเกิดมาจากว่านเหมือนกันนะว่านนี้เขาเลี้ยงอันนี้แหละครับแล้วเหมือนกับไปเลี้ยงผิดเลี้ยงผิดวิธีแล้วว่านผีที่ว่านเนี่ยเขาก็จะมีบางอันจะมีชื่อบางอันจะมีชื่อว่าบ้านนู้นว่านนี้ว่านนั้นอ๋อแล้วก็ไปเลี้ยงผิดแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับสิ่งเหล่าเนี้ยมันกลับเข้ามาที่ตัวของคนเลี้ยงทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นผีปอบลักษณะที่คุณคิงเล่ามาเนี่ยลักษณะใกล้ใกล้กันนะครับคือไปเลี้ยงผิดไปทําผิดวิธี แล้วก็ไปโดนเเกสอนใช่ไหมฮะที่เขาบอกบอกว่ามาโดนที่ตัวแล้วเหมือนโดนกัดกินจากข้างในลักษณะเหมือนปอบเลยโอใช่ใช่ฮะเพราะพังเขาบอกว่ามันจะเป็นละอองจากเกสอนอข้างในมันแหะที่จะปิวมาโดนคนเลี้ยงโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าคนเลี้ยงเนี่ยจะต้องเอาเลือดปรโยชนให้มันทุกวันจะโดนโดนไม่รู้ตัวใช่ใช่ถูกต้องด้านนี้เขาบอกว่าต้องเลี้ยงด้วยเลือดใช่เออเออเอนี่แหละนี่แล้วที่ผมเคยได้ยินรู้ภาพว่ามือศีอ่ะมือสีจะฉันข้งเข่าดิบเหรออืมอืม ถ้าเรียกร้องเอาทั้งางคขาอีกสองตัวต่อการรักษาหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเอาเลือดของข้างเขามาเลี้ยงแน่นอนน่าจะอย่างนั้นค<อ>ืออาจจะคือเราก็แอบคิดกันมาเองว<อ>่าหือว่าท่านจะเอาไปกินเองหรือเขาเราไม่มนแน่ใจนะท่านาท่านโดนสิงไปแล้วนะะก็มีสิท์ก็มีสิทธ์เหมือนกันโอ้เรื่องของว่านพวกนี้แต่ผมแปลกใจว่าเฮ้ยเมื่อกี้คุณคิงบอกว่าล้านว่านพวกนี้ยังมีอยู่นะมีครับอุ้ยเพราะว่าตรงนี้ยถ้าผมเห็นแล้วไม่ผิด ก็ยังอยู่ที่สำนักนั้นจนทุกวันเนี้ครับครับครับครับแต่คงไม่ได้หาเจอกันง่ายๆนะพวกนี้เนาะอไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวผมต้องลองถามเพราะว่าตอนแรกผมอยู่กับที่กับกับอสาผานเอาเพราะว่าผมเช่าบ้าน้เขาอยู่ที่หนึ่งเพราะว่าเขาจะชอบอยู่แบบเป็นธรรมชาติของเ่าะเขาจะเหมือนเขาจะเกรงใจเราไม่อยากมาอยู่รวมกับเราอะครับครับเดี๋ยวผมจะถามอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงในเรื่องเนี้แล้วจะมาปะพี่ทีครับได้ครับผมอ่ะเรื่องของว่านผ่านไป ครับนะฮะมีอีกหนึ่งเรื่อง อ, อืมอืมใช่ครับเป็นเรื่องของเจ้าที่มอืญเจ้าที่มอญเนี่ยซึ่งผมบอกว่าผมได้ฟังจากคุณพี่ท่านหนึ่งคุณพี่ท่านนี้ก็จะเป็นคนที่เหมืนอนกับเขาชอบทำบุญแ่ละแล้วเราก็จะได้คุยแลกเปลี่ยนเรื่องนู้นเรื่องนี้กันมาตลอดท่านนี้พอเราคุยถึงไปคุณมาคุยถึงเรื่องเจ้าที่ออื เพราะว่าลัาออกษณะอการไหว้เจตคติทางเนี่ยก็จะมีคนบางคนนะครับผมผมบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้เก่งไเลยเก่งแค่เป็นพระที่เคยมีโอกาสตามหลังอาจารย์ในการปฏิทินองแต่ตัวผมเนี่ยไม่ใช่เจ้าสำนักไม่ใช่เจ้าวิชาหลายบางคนถามว่าตั้งศาลยังไงถ้าไมผมไม่เป็นแต่ผมมีโอกาสได้ฟืนเนี้ยผมก็บอกอเอาว่าวิธีการไหว้ศาลแต่ละที่เนี่ยอืมถ้าไหว้ดีก็ดีนะครับถ้าไหว้ไม่ดีก็ไม่ดีเลยครับเหมือนกับกรณีของคุณพี่ท่านียอืม อ่าผมจะย่อๆเรื่องของเขาเข้ามาเอาแค่แค่แค่ก่อนจริงๆล้วที่คุยกเป็นเรื่องยาวมากเลยมีเแต่จะเน้นถึงตรงเรื่องของเที่ก่อนเพราะว่าท่านที่ท่านได้บอกว่าตอนที่ซื้อที่ตรงเนี้มใหม่ๆก่อนที่จะมาทําเป็นเป็นบ้านเนี่แหนะ hmm. อ่อก็จะมีคนตั้งแต่คนขายเลยซึ่งเขาไม่ยอมขายขายแต่การที่เขาจะขายเนี่ยเขาใช้บอกให้อ่าเหมือนกับเป็นราขาส่วนตัว บอกกับลูกชายเขาดีซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าแม่เองจะขายที่ได้บอกเอาไว้ก่อนเลยว่าถ้าจะขายที่ต้องขายให้กับผู้หญิงลักษณะนี้นี้นี้รูปร่างอย่างนี้เท่านั้นออืทำว่าทําไมเขาถึงได้เน้นมาดเอาไว้ถูกทั้งๆงที่คุณพี่ท่านนี้ยังไม่เคยไปคุยอะไรกับเจ้าของที่ตรงนี้เลยนะครับเขาเคยไปดูเขารู้ตรงนี้เขาไม่ขายไม่ขายก็คือไม่ยุ่งเอาตัวอื่นเอาแปลงอื่นแต่ปรากฏว่าตรงแปลงอื่นไม่ขายจะให้มาเอาตรงนี้ยทั้งทที่เขาติดปลายว่าตรงนี้ไม่ขายคุณพี่ก็แปลกใจ แต่ได้ย่างตกใจแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆท่นี้เรามาถึงว่ายถงึงเจ้าที่พอไปอยู่ได้สามสี่เดือนเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆ เ, เข้าไปเที่ยวที่บ้านกันแต่<ม><ๆ>แตรงนี้เนี่ยเขาจะไหวตลอดนะฮะไหวเจ้าที่ไว่าอะไรว่าตลอดคือเป็นคนส่วนมนไหวพระอยู่แล้วแล้วไหวเจ้าที่อยู่แล้วด้วยเขาทบด้วยอื<ม><ๆ>ท่านี้มีเพื่อนมานอนที่บ้านนอนกันแปดเก้าคนก็ห<ม>ัน<ๆ>ไปพูดกับเพื่อนคนนางเนี่ยที่นอนอยู่ข้างๆกันว่าเอจ้าที่ที่นี่ค่อนข้างจะแรงนะอืมถ้ายังไง เห็นรูปสภาพใกล้นอนกันแหละไหวบอกเจ้าที่สัหน่อยไหมครับเพื่อนเขาฟังนะแล้วก็มองหน้าทําเฉยอืมอันนี้พป่แจ็คนึกภาพว่าในบ้านเขาเนี่ยจะมีห้องน้ําห้องน้ําอย่างเงี้ยคิดว่าคงมีหลายที่ที่เป็นอยู่ที่จะเป็นห้องน้ําที่มีสองประตูคือถ้าใครเข้าฝั่งนี้ก็จะรออีกฝั่งนึงไว้กันไม่ให้คนเปิดเข้ามาอ่าใช่ใช่ใช่ช่อ่าเพรามันจะเป็นประตูสอด้านเนี้ยครับอันนี้ไอ้ฝั่งเนี้ยที่ฝั่งที่พวกเขาจนอนเล่นกันอยู่เนี่ยถ้าจะมองเห็นประตูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันปิิดดดเเเเเออาาาาไไไว้้้้้้่่่นนนนปปรระะตูจฟัังงงหํทีีีคขยม็ พรคนอยู่ฝั่งนี้หมดฝั่งนั้นจะไม่มีใครเอยล็อกประตูด้านไหนว่ะ<ม>ซึ่งฝั่งนู้นจะเปิดไม่ได้เลยเพราะหลังจากที่เขาพูดเรื่องนี้เสร็จแล้วเพื่อนขอเขานอนมองหน้าเฉยเหมือนกับแบบอืมแล้วยังไงอะ่ะ<ม>เหมือนประมาณอย่างเงี้ยออยู่ดีมีเสียงคนกระชากลูกบิดแล้วก็บิดแบบๆๆๆๆๆๆๆๆแล้วทุกคนหันไปมองหมดเลยแล้นะแปดแปดตาแปดคนเนี้ยหันไปมองหมดเลยมากลูกบิดทําการบิดอย่างรุนแรงที่หมดมีคนกระชากประตูเขย่าด้วยครับ ซึ่มเขาก็คาดเดาว่าต้องเป็นอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะต้องแบบพยายามจะเข้าห้องน้ำจากอีกฝั่งหนึ่งเพราะเพื่อนหายอีกคนนึงไงเหมือนจะไปอาบน้ําแต่ว่าในตรงนั้นเขามีห้องน้ํำหลายห้องในบ้านของเขานะ่ก็มีหลายห้องอมีห้องน้าหลายห้องก็ทุกอย่างก็นิ่งๆรอไว้ก่อนเ๋ยวไม่ตกตกใจอะไปจนเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้ามาอาบน้ําเข้ามาเสร็จจะบอกเอ้ยถามอะไรอย่างเนี้ยอืมพื่อวันนี้เข้ามาแบบไม่รู้เรื่องอะไรนะถามอะไรอ่ะ เมื่อกี้ได้ไปเปิดประตูลูกบิดฝั่งนล้นปะไดไ้บิดปครับเขาบอกไม่นะไปหาห้องน้วมีกห้องหนึ่งไงก็รู้แทนว่าคนอยฝั่นี้ถ้าฝั่อนนี้จะไปบิดทํำไมฝั่งนู้นละ่ะ<ห>แล้วทุกคนที่แบบเขาเห็นเหตุการณ์ล่ะผมพร้อมกันทั้งหมด่ะเขาก็เริ่มนิ่งอันนี้ก็รู้ขึ้นไหว้หละนี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งของเจ้าที่มอที่นี<ห>่จริงซึ่ ง, งแรงอืมส่วนเหตุการณ์ที่สองขึนมาเนี่ยคือคุณพี่ท่านเนี่ยเขาก็จะมีการติดต่อับ เหมือนจะมีโซนของบริษัทอยู่ในบ้านด้วยอะเขาก็จะมีการติดต่อกับคนที่เขาจะต้องอของมาส่งอันนี้ที่เราก็นั่งรอว่าจะเอามาส่งเมื่อไรรอเด็กแต่ด้วยความที่ว่าคนส่งของเนี่ยเหมือนจะมาปิดเวลาหรือเปล่าถ้าเกิดเราผิดพาดไงต้องของใครก็ <c oughs> จะมาผิดเวลาหรือต่อมาเดึกในหายตัว น, นั้นไม่มีใครนะฮนะไม่มีใครเลยประตูรัว้วปิดละแต่ถ้าเกิดว่าเขามาติดต่อยามเนะี่ยยามก็อ่ราระบบก็สามารถจะเปิดให้เข้ามาได้ออืแต่วันนั้นเด็กที่มาส่งของเนะี่ย <c oughs> คือมีคนมาถามคุที่แล ว, ว่ามีของมาส่งไหมเขาบอกไม่มีนะนั่งตรงนี้ไม่มีใครมาส่งพระ อ, อย่างอรอตั้ง น, นานเสียงใครจะมาเรียกโทรศัพท์ประมาณเขาไม่มีก็จะติดต่อไปทางบริษัทที่เ่าอของมาส่งเน ะ, ะเขาก็บอกว่ามีคนมามาส่งของแล้วแต่มีคนไม่ให้เข้าออืเข้ามาถึงแล้วมาถึงหน้าประตูแล้วมีชายแก่ๆคนหนึ่งบอกว่าเข้าไม่ได้อไม่มีใครอยู่ตอนนี้ดึกแล้วผิดเวลาไม่ให้เข้าซึ่งไม่มีใครที่เป็นคนแก่ในบ้านบ้านของคุณพี่เขา แต่เด็กคนนั้นยิ่งจะรับมีคนแก่มาห้ามไม่เข้าเหมือนแบบว่ามาผิดเวลาแล้วอ่ะอืมติดแล้วไม่ต้องเข้านี่คือเหตุการณ์ที่สองของการที่มีเจ้าชีแล้วเขาคอยดูแลอส่วนเหตุการณ์ที่สามเหตุการณ์ที่สามเนี่ยมันเกิดเนื่องกับตัวคุณพี่เขาเองจากการที่เขาเุกคนที่ชอบออกจากออฟฟิศแล้วเข้าไปในโซนที่เป็นบ้านของเขาเนี่ยติดบางทีก็สี่ทุ่มห้าทุ่มเพงคืนนั่งเล่นคอมบ้างนั่งเล่นอะไรบ้างอยู่เนี้ยอ ก็จะ ม, มีเสียงคนเปิดประตูเข้ามาบ้างจากด้านหลังโรงที่อันไปมองแล้วไม่มีใครจะเสียงเปิดประตูนเนีชัดเจนมาก <c oughs> และบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นเสียงคนนั่งเตาอี้แล้วก็โยกโยกโยกอยู่ข้างในาห้องเดียวกับเขาอะ <c oughs> ซึ่งเ้าดั้งอยู่คนเดียว <c oughs> แล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะบอกว่าเป็นคนที่จะต้องหาเหตุผลไงน เ, น <c oughs> เขาจะไม่กลัวอะไรง่ายๆ <c oughs> อยากรู้ว่าไอ้เสียงเตาอี้ที่มาดัง ไม่เด mm ินเะพีแจ๊เดินไล่เก้อี้แต่ละตัวเนี่ยเก้าอี้ของออฟฟิศเนี่ยถ้าเราดึกผ้ามันจะมีการโยกได้เอ็นได้ไงอืแต่ละตัวเขาก็เดินแล้วก็นั่งเลยนะแล้วก็ขยับอ่ตัวนี้ไม่เหมือนตัวนี้ไม่ใช่่ะไปตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่จนมาถึงไอ้ตัวที่เจ้าปัญหาที่เขาสงสัยว่าเสียงวายอย่างนี้แหละแล้วเขาลองนั่งแล้วทําท่ายกโยกดูแอดแอดแอดกลาเป็นเสียงเดียวกันเขาเลยว่าค่าค่าค่าเดี๋ยวขึ้นบ้านแล้วค่ะก็จะรู้ไงว่า คุณตาคุณยายที่เป็นเจ้าที่ที่นี่น่ะก็คงจะเตือนว่ามันดึกแล้ว น, นะจะขึ้นไปข้างบนบ้านแล้วก็ในวันที่คุณพี่เขาเคยเล่าให้ฟังเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าวันนั้นแหละเขาอยู่คนเดียวแล้วตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงคนคุยกัน <c oughs> คือเขาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะ <c oughs> ตื่นมาเพราะเสียงคนคุยกันและชัดเจนมาก <c oughs> คุยถึงขณะที่เขาตื่นเ่ะ <c oughs> เขาก็เสห็งใคร ผู้ชายสองคนกำลังคุยอะไรทุกอย่างพอตะแคงตัวมาด้านข้างมาเป็นเงาคนเงาคนะชับๆเลยกระโดดข้ามข้ามตัวเขาไปข้างหลับ <c oughs> ซึ่งเขาเฮ้แต่เขารู้คนที่ไม่ตกใจอะไรมากมันช็อกเงียบเลยแต่รู้ว่าตกใจแล้วแต่พยายามที่จะไม่หันไปมองเพียง <c oughs> หาให้คนจริงไม่ได้ว่ามันคืออะไรระหว่งเสียงนั้นกับเสียงเสียงคนคุยแล้วมีคนกระโดดข้ามอื <c oughs> ก็รอเลยคันนี้พอคืนไปตอบไปอีหลังมีเสียงไร่มาเลยนะเวลาเดิมเวลาที่สามสิบห้านาที ตะลุกขึ้นไปดูเลยแล้วเขาบิดรูบิดออกไปจริงจริงคนเดินบ้างคนเคาะประตูบ้างถึงกับรู้แล้วว่าเป็นเจ้าที่เหมือนมาเตือนมาอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องแปลกแต่มันมีเรื่องแปลกต่อมาก็คือแม่บ้านที่อยู่ในบ้านคือจะทุก ท, ท, ท, ทุกทุวันพระเนี่ยจะต้องมีการไหวเจ้าที่ไหวคุณตาคุณยายครับที น, นี้แม่บ้านแต่ละคนที่มาเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็อยู่จนแบบมาโอเคแล้วก็ออกบางคนก็มาไม่ดีพอมาไม่ดีเนี่ยคนพี่เขาก็จะบอก จะทีว่าอ่าตาคะยายคะถ้าดูแล้วเขาไม่ดีก็ทําให้เขาไปแบบไม่ต้องมีปัญหากันเนาะเหมือนให้เขาแบบไปเองอไปด้วยดีเนี่ยแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งเหมือนอย่างไรยแม่บ้านลายเนี่ยซึ <S <S ่งในบ้านเนี่ยจะมีแม่บ้านสองคนตอนเขาก็จะไม่เคยขึ้นมาอยู่มายุ่งด้านบนนะแล้วคุพี่เนี่ยเขาจะให้ตังไว้สําหรับการซื้อใช้จ่ายของเนี่ย <S <S อาิตย์ลาสามพันถ้าไม่พอให้ิดโดยประมาณก็จะ 5, ข้าวันให้ตังไว้ซื้อของที่จะซื้อของเราไหวเป็นผลไม้ ทุกๆวันพระท่ า, ทา น, นี้มาได้ในบ้านคนเนี้ซึ่งเป็นคนพืนเงินเนี่ยแตจจำคนค่อนข้างติดการพนันเวลาที่ออกไปซื้อของเนี่ยก็มาจ่ายนานๆแล้วก็ปรากฏว่าไปเล่นการพ ล, ลัทนท่านี้มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนที่เขาเป็นคนผิวหนัอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าอพี่วนนี้ไม่ซื้อผลไม้เหรออื <c oughs> พกเนี้ยมันผ่านแล้วนะเขาก็เตืนตอนนะวคนนี้ก็เฉยๆ เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนตันคืนนีพี่ซื้อหรือยังยังเอ้าพวกนี้ต้องไหว้นะพี่อย่าลืมนะอือเออเด็จเช้ามาเปียนอีกพี่ซื้อหรือยังผลไม้เนี่ยขอให้ไหว้ทุกวันพระนะเขาขอภายนะเขาไม่ให้ไม่ไม่อยากให้เอ่ยชื่อของเาตลที่นี้ะอ่าเขาคุณเขาให้ไหว้ทุกทวนพระนะแล้วแบอืมรู้แล้วก็ออกไปขายไปชึ่งปกติเวลาเก้ามงเช้า ทุกวันพระเขาต้องไหว้เก้าโมงตรงแต่วันนั้นเลยละเลยเจ้าโมงไะไรละก็ไม่กลับมากลับมาสายเขาก็รู้อยู่ว่าคนคนนี้ติดการพ น, นันแตต้องหายเข้าไปในซอยตรงเนี้ยก็คือไปเล่นการพนันนี่แหละแต่จะเป็นเป็นไพเ่เป็นอไรก็ไม่รู้เหมือนกันพอกลับมาถึงปุ๊บเขาถามพี่ซื้อหรือยังเนี่ยคนละไมายนี่มันเกินเวลาแล้วนะ <c oughs> อปรากฏเขาบอกว่าออลืมอะเอาเงี้ละกันเอาไว้ไหว้ที่นั่งเงี้เดียวเลยละกันเขาก็พูดเหมือนกับปัดปดไป ซึ่แม่บ้านคน อ, อีกคนหนึ่งเนี่ยเขารู้แล้วว่าเอาเงิน่ไปเรื่องการพนันหมดแน่นอนออือแต่เขาก็ไม่ได้ฟ้องนะครับไม่ได้ฟ้องและในวันนั้นว่าเกิดเรื่องคือแม่บ้านคนที่ไม่ได้ฟ้องไม่ได้บอกเขาก็ามีปัญหากับอ่างแฟนเขา <c oughs> มีปัญหากับสามีเขาอันนี้คุณพี่ท่านนี้นนก็เลยบอกว่างั้นเธอก็ขึ้นมานอนกับฉันก็แล้วกันอมานอนในห้องฉันเลยแต่จะไม่ต้องประยุง่งจะไดไม่ต้องทะเลาะกันเนาะให้ผ่านวันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้เราอารมณ์มันเย็นเราค่อยเคลียร์กันคุยกันก็พาขึ้นมานอน ในวันนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรละจนถึงเวลานอนละปรากฏว่าในขณะที่เขาหลับอยู่มีเสียงประตูปิดตังตัืมตั ง, งสัญญาณเลยในบ้านในท่ามกลางเวลากลางคืนนะซึ่งทุกคนนอนหมดแล้วคุณพี่เขาลุกขึ้นในบ้านเขาบอกว่ามีประตูที่เป็นแบบเป็นเกี่ยวกับตู้เสื้อผ้าเนี่ยประมาณสิบประตูได้สิบประตูทั้งหมดเนี่ยเขาเดินไล่ปิดหมดเลยนะและแล้วปิดแรงๆด้วยโดยที่แม่บ้านคนนั้นนะ่ยที่มานอนข้างๆเตียง่ะก็ลุกขึ้นนั่ง งงๆกันเลยค<ม>ุณเาอะไรเดินไะล่ปิดทุกตู้เลยปั้งไม่ใช่เสียงนี้เสียงนี้มันกวง<ม>จะไปิดตูหนึ่งพังคือแบบไม่สนใจคนในบ้านเลยนะทําอย่างเงี้ยปังไล่มาทั้งหมดจนถึงประตูสุดท้ายซึ่ง ม, มันแงม้อ ม, ม, แงมอยู่หน่อยหนึ่งมันแง้มอยู่หน่อยหนะึ่งนะปังจุดนี้นะที่นี้ครับแกก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ปิดเขา้าไปปัง้งสนั่นเลยทันท้ญญแน่นแกบอบกอันนี้แหละอันนี้แหละอืม แในบ้านคนละเขาหงง้องงงเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเขาก็กับไปนั่งที่เตียงแล้วหมอมาที่บ้านคนนั้นแล้วก็บอก <c oughs> ฉันว่าฉันต้องถามเธอมากกว่านะอื <c oughs> ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในบ้านบ้า ง, าง <c oughs> ที่เธอไม่ได้บอกฉันในบ้านเหมือนกับแบบลึกสะพังแล้วก็น้าซีดเนี่ยคื <c oughs> อก็อย่าถือว่าหัวมาฟ้องเลยนะฮะคือพี่คนที่เขาเสีบเงินอนะทำ <c oughs> หน้าที่ต้องซื้อผลอไม้มาไหวา้ <c oughs> เ, เขาไม่ได้เอามาไหว้ืึ่งคนในบ้านทั้งหมดก็รู้ว่าเขาเนี่ยติดการพ น, นันครับอันนี้บอกอ่ะโอเคดูล้ละเข้าใจละเข้าใจละก็อบอกก็ที่ว่าเดี๋ยวจะไหว้นะคะเดี๋ยวเปยังไงจะชดเชยเอาก็หลอกไปเป็นเช้าเนียก็ม่ล่างพลังขึ้นมาคุยเขาก็แบบว่าตอนแรกเขาคิดว่าอีกคนหนะึ่งที่มานอนลนะฟ้องอืมพี่บอกอ่ะคนนั้นไม่ได้ฟ้องเนะเจ้าที่น่ะมาบอกฉันอืิ แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดเลยคนนี้เขาก็ไม่เชื่อแล้วอยู่ยีมาวันหนึ่งเขาก็ต้องไปจนมาถึงมีอยู่วันหนึ่งคุณพี่เนี่ยเขาออกไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนนอกแล้วคุยเรื่องอออออชีพปัญหากลับบ้านมาเด็กซึ่งเขาไม่อยากจะโทรปลุกใครนะปกติก็จะมีรีโมทที่จะเปิดประตูอยู่แล้วแต่อะไรไม่ไดเอาไปก็ไม่รู้ทำยังไงต้องไปต้องปีนรั้วแล้วล่ะก็คิดอย่างนี้จนรถนกลับมาส่ถึงหน้าบ้านปรากฏว่าประตูรั้วตากไว้หมดอืม เขาก็ไปหยุดหน้าห้องคนนั้นคนนี้หน้ า, าที่เพื่อนเองที่มานอนที่บ้านไปหยุดหน้าห้องแม่บ้านไปหยุดทุกคนไปหยุดแบบนี้เงียบไม่เรียกใครเลยปรากฏว่าเสียงพลมในห้องไหนห้องไหนดังมากเลยเท่ า, ากัทุกคนหลับสนิทขึ้นไปดูเพื่อนบนห้องที่เป็นเพื่อนส น, นิที่มันอนที่บ้านเนี่ยก็หลับสนิทใครมาเปิดประตูอืเข<ม>้ามาไล่ถามทุกคนไม่มีใครรู้เลยแต่ประตูมาเปิดเองทั้งทั้งที่คนที่บอกว่าจะรอเคขาว่ารอถึงแค่สี่ทุ่มแล้วก็เห็นว่าประตูรถเนี่ยปิดแล้วอืมแล้วเข้าไปนอน แต่เขาถามว่าแล้วใครบางคนเปิดประตูรวมไว้ให้นี่ก็เป็นเรื่องของเจ้าที่ฮะที่บอกว่าการบูชาแล้วก็าลบที่ดีเนี่ยคุณพี่ท่านนี้จะได้รับความคุงของมากแล้วสำหรับคนที่ทําไม่ดีเนี่ยก็จะได้รับผลไปอย่างเงี้ยหลายคนอืถ้าก็ว่าคนคนที่เขาถือเงินไว้แล้วก็ไม่เคยซื้อผลไม้มาคืออยู่ดีต้องมีอันต้องต้องต้องไปครับไปจากที่น่อ๋ออ๋อนะฮะคือเจ้าที่มอันนี่คือถ้าผมจําไม่ผิดนะผมได้ยินแล้วค่ะถ้าข้อมูลผิด ถูกยังไงขออภัยคุณผู้ฟังด้วยเขาบอกว่าทางมอนเขาจะเลี้ยงเหมือนกับเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษใช่ป่ะครับใช่ประมาณนั้นใช่ฮะเพราว่าผมจําไม่ผิดนะคือเป็นการถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือเลี้ยงผีแต่ผีที่เนี่ยคือเขาไม่ได้เลี้ยงผีแบบพวกสัมภเวษีผีแร่ล่อนผีไม่ดีอะไรอย่างนั้นนะแต่เป็นเหมือนกับวิญญาณของบรรพบุรุษเลี้ยงเอาไว้บูชาเอาไว้เพื่อให้คอยปกป้องลูกหลาน รุ่นต่อๆไปครับใช่ใช่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคเขาจะค่อนข้างผีันน่ะอถ้าวิจัยจำเรื่องอ่ผีมอนที่ผมเคยเล่าไปครั้งนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องวัดวัดหนึ่งในจังหวัดไทยที่ผมเยเรือน่ะคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นภาวะที่เราไปไปอยู่ที่นั่นแล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าลงอยู่กันขังพิธีเขามีอะไรบางอย่างอยู่ในทุกห้องเลยอ่ะแต่เราไม่เคยเดินหาเพราะเราเป็นคนที่ไม่ไปจุกจิกไม่ไปลื้อไม่ไปหาอะไรที่มันไม่จําเป็นมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่พอเออวันนั้นเดิหาของซึ่ง แัง น, นั้วผมเล่าไปแจ็ฟังแล้วมผมมาเ่าให้เพื่อแฟนแฟนอมบอกทำไมไม่เล่าถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปบ้างอะ่ะอย่างเช่นเวลาที่เข้าห้องน้าเนี่ย<ถ>คือแฟนผมเขากลัวผีเขาก็จะบอกว่าอ่าขออภัยนะครับไม่ใช่ว่าเ ร, าเรื่องรา ม, มุกนะ้แฟนผมบอกว่าปลาจะเข้าไปในห้องน้าได้ไหม<ถ>เขาจะจะฉี่เนี่ยลปลาหันหน้าออกได้ไหมอ่ะต่ขออยู่ในห้องเดินเพระาะว่าห้อง น, น้าเนี่ยเขาทํำมากว้างมากเลยพ<ถ>ี่แจห้อง น, น้ํานี่ผมว่าพอๆกับห้องเข้าถุงถูทั้งห้องเลยอ่ะมันก็จะหมู่เหงื่อไง พอแฟนผมบอกอย่างนั้นผมก็จะเดินเข้าไปไงแล้วเออได้ไน่าจะได้มั้งเราหันหน้านีอยู่ครับยังไงเขาก็คงจะรับรู้แหละว่ามันเราไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีพอผมเข้าไปมันมีเสียงคนตะโกนย่างเงี้ยมันก็ไม่ชอบอ่ผมก็เลยไม่มองแล้วแฟนผมบอกเดี๋ยวตาล็อกข้างนอกเนาะแต่ไม่ต้องล็อกก็ได้เดียวยิงปิงปิงก่อนเลยให้ดีกว่าตรงนี้ออเป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่าหรือมันจะโดยอื่นว่าเป็นไอ้บ้านข้างๆวัดว่ะลองข้าวต่อไป ก็คุยกันในระหว่างที่ผมปั้นช้างค่นอะไรผมว่ะจะเป็นอย่างนั้นไปได้เปล่าปราปรกฏอีกวันหนึ่งก็ลองยกว่า้เลยผมขอลองนะครับถ้ามันถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องจริงๆอ่ะขออีกครั้งเดียวอืมและจะไม่ลองดีอีกคือขอลองให้มันหายสงสัยให้เฉยปรากฏว่าผมเข้าไปยืนนะแต่รอบนี้เข้าไปในห้องร้าได้นะแต่ยังว่าฉันจะปิดประตูสนิทเลยแฟนผมก็ไปไปที่ตัวตัวตัวโถแล้วเตียนไปแล้วเขาไม่เชือ่อเฮ้ยออกมาตั้งๆอย่างเงี้ยผมก็เลยลง อืมเดี๋ยวป้าไปรอข้างนอกแหละอืมอืมผมก็ปิดประตูแล้วก็ยืนอยู่งั้นนะซึ่งมันสองครั้งเลยพีกก่แจคนไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญหรอกถ้ามันจะบังเอิญจริงมันต้องมีคนแอบฟังเราพูดเข<ช>้าเป็นอย่างนั้นแหะครับแต่ใครเราจะไปแอบฟังเราอืมอืมเนี่ยฮะเรื่องของขีนนะ่ม่อร์ไซที่ผมได้เจอจกับตัวเขนี้ยครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมได้ได้ได้บอกไปเพราะว่าการที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ย e มีอ่าบางบา ง, บางกลุ่มบางคนหรือว่าบางชุมชน หรือว่าบางจังหวัดบางที่เขานับถือผีผีในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้นับถืออย่างที่ผมบอกว่าเป็นผีที่เป็นผีไม่ดีผีเล่ล่อนเราพูดถึงผีเราจะมองไปถึงผีตรงนั้นเนี่ยแต่ความหมายในผีของเขาเหล่าเนี้คือหมายถึงว่าเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษมีมอนใช่ั้มมีทางฝั่งลาวแล้วก็มีทางภาคเหนือเขาจะมีการนับถือออ่าอ่าาผีปู่ย่าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด นะครับเราก็จะนับถือเหมือนกับเป็นผีที่เป็นบรรพบุรุษเหมือนกันแล้วก็มองก็เหมือนกันลักษณะเนี้ยคือมีการนับถือผีเม่ไลัยเนี่ยคนจะคิดว่าโอ้ยอันนี้ต้องแบบแบบุนับถือในสิ่งไม่ดีแน่นอนไม่ใช่นะฮะต้องบอกไว้ก่อนเ อ, อบรรพบุรุษคนที่เสียไปแล้วเนี่ยเ้าไปจะเรียกภาษาชาวบ้านว่าผีอการนับถือผีการผิดผีก็คือการผิดต่อบรรพบุรุษการผิดต่อปู่ย่าตายายของเรา อะไรอย่างเงี้ยที่เราจะได้ยินทางภาคเหนือบอกโอ้ไม่ได้นะไปถูกเนื้อต้องตัวกันไปอ่าได้เสียกันก่อนแต่งงานมันผิดผีอ่าผิดผีในที่นี้คือปผิดต่อปู่ย่าตายายผิดต่อบรรพบุรุษโอ้นะฮะเรื่องของแหม่มีคนบอกใช่ผีปู่ย่าถูกต้องภาคเหนือก็จะมีการอ่านับถือนะครับในเรื่องของผีปู่ย่าแล้วก็ของหมอ อ, อย่างที่คุณคิงเล่ามาก็ใช่ เขาคือคาเทนีมากเลยนะไปแกตรงบริเวณช่วงที่ผมไปทําไปทํำช้างตัวนั้นแนหะแมก้ก<อ>ระทั่งการใส่บาตรของเขาเนี่ยคือผมผม<ๆ>ผมเคยเห็นแถวอีสานผมเคยเห็นแต่ว่าเขาก็จะเป็นประเภทแบบสมมติถ้าเราเดินเดินบินอบาตเราเป็นพระเขากําลังเดินผ่านนี้ยคนแก่เนี่ยเขาจะนั่งลงไหว้ออืแต่ถ้าเกิดขี่รถอยู่ก็แล้วไปน่ะแต่ในโซนตรงนั้น่ะโซนที่ผมเข้าไปไปไปทําตรวนั้นที่ว่าเป็นโดงของชาวมอญเขาเลยนะออืโซนเนี้ยที่ผมต้องเห็นเ้าแล้วว่า เวลาที่เราเดินวินาบาตคือพาวินาบาตเนี่ยแล้วผมก็เราไปปั้นงานวันท่านแล้วก็ไปเดินถือบินโตให้อย่างเงี้ยผมก็เห็นว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจักรยานมาเนี่ยเขาจอดแล้วเขาลงไหวเลยนะครับเป็นธรรมของเขาเขาแบบไม่ใช่ว่าขี่ผ่านไปเลยไม่สนใจอย่างเงี้ยไม่ใดไม่ได้ตรงนั้นแหละผมยังเห็นอยู่ว่าเขาทําคือเขานับถืออะไรกันจริงๆต่างๆถูกต้องถูกต้องก็คือเหมือนกับเป็นประเพณีเป็นเหมือนกับถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นเหมือนกับการ เป็นกฎหรือว่าเป็นการนับถือเป็นการบูชาจากส่วนลึกของหัวใจจริงๆไม่ใช่แค่ว่าศักแค่ว่าอาเจอพระเอาไหว้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจอสารเอาไหว้อันนั้นคือสักแค่จะไหว้วงคนเนี่ยเขาแบบนับถือแบบจากส่วนลึกของหัวใจจริงๆนะครับไหว้บแบบไหว้แบบจริงจังอ่ะเออนะครับไหว้จริงจังไปโลกเลยนะนั่นแหละอยู่ไปอยู่นั้นเหมือนลุกไปโลกนึงเลยครับครับ ไหว้จริงจังกับไหว้สงสงมันมันคนละอย่างกันนะผมก็จะมีบางอารมณ์ที่บางทีผมก็เอาโทษเอะผมก็ยอมรับจริงๆก็ผมก็ไหว้สงสงไปก็มีนะแต่บางอันมันก็มันจะถูกคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราอยากไหว้แบบจริงจังมันก็มีเหมือนกันแต่บางคนที่เขาเอา่อเคร่งทางเรื่องเนี้ยเขาจะอู่ทุกอย่างต้องต้องจริงจังต้องแบบว่าอยู่ในอยู่ในกรอบอยู่ในประเพณีของเขาเลยอะไรประมาณนี้ นะฮะอู้นะครับนะคุยสองสายสุดท้ายวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะฮะทั้งเรื่องของอพี่หนุ่มแล้วก็เรื่องของคุณคิงหรือว่า King of g h ก s t ของเรานั่นเองขอเ ข, <อ>ขอบพระคุณมากๆคุณคิงวันนี้มาปิดท้ายกับ The g h o โกส a d i o ของเราสนุกตื่นเต้นเหมืน อ, อ, อเนเดิมฮะยังไงก็ ตอนนี้ต้องอยู่กับผมเอย่าเขายังคือเขาป่วยเขาพยายามเล่ามาทีแต่ต้องค่อยๆฟังเขามันเ้าไปบังคับเขาไม่ได้แนละ้วที่เขาจะเล่ามาเยอะๆเอได้ได้ได้เอาให้ให้แก่าดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆทยอยเล่าเรื่องพวกเนี้ยผมว่าโอเรื่องพวกนี้ฟังไปเถอะเรื่องของพรานเรื่องเกี่ยวกับในป่าสนุกกุณผูฟังสนุกจริงๆฟังแล้วเหมือนเหมือนเหมือ น, อ, นอ่านเพชรพระอุมาฟังแล้วเหมือนดู <c oughs> หนังอะไรที่มันแบบ ต้องเข้าไปในป่าลึกๆแล้วไปเจออะไรแปลกเงี้ยให้สนุกจริงๆแล้วได้ความรู้ไว้ประดับตัวเองด้วยสิ่งไหนที่ไม่ควรที่จะทํานาะโอ้นะครับได้ครับคุณคิงเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้กิงกลางไม่ไม่ต้องได้คงหรอกเราได้กิงกลางกันเหมือนเดิมแน่นอนขรบคุณนะฮะได้ครับคุณคิงไงขอบพระคุณมากมากนะดูแลเช่นเดียวกันไอบ่อยมากดูแลร่างกาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ